นับถอยหลังจากเวลาที่พระอานนท์รับเป็นพุทธอุปถากไปเป็นเวลา55ปีในพระราชวังอโนอาของกษัตริย์สากยราชมีการประดับประดาประทีปโคมไฟเป็นระยะสว่างสวัยไปทั่วเขตพระราชวังพระเจ้าสุภโกธนะอนุชาแห่งสมเด็จพระเจ้ากุงกบินลพัตร์ มีพระพักแกมใสตลอดเวลาทรงทักคนนั้นคนนี้ด้วยความเบิกบานพระไทยพระประยุรญาตและเสนาข้าราชบริพารมีความปรีดาปราโมทอย่างยิ่งที่มีพระราชกุมารพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นในโลกเขาพร้อมใจกันถวายพระนามราชกุมารว่าอานัติเพราะนิมิต ท, ที่นาความปรีดาปราโมท และบังสุบมาให้เจ้าชายอานันท h อุบัติขึ้นวันเดียวกับพระราชกุมารสิทธัตถะก้าวลงสู่โลกนั่นแลพระราชกุมารทั้งสองจึงเป็นสหชาติกันมาสู่โลกพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายนับว่าเป็นคู่บารมีกันโดยแท้เจ้าชายอานันท h ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุด เท่าที่พระราชกุมารในราชสกุลจะพึงได้รับพระองค์เติบโตขึ้นภายใต้ความชื่นชมโสมนัสแห่งพระราชบิดาและพระประยุรญาตเจ้าชายเป็นผู้ท่อมตนสุภาพอ่อนโยนและว่าง่ายมาแต่เล็กแต่น้อยพระชวีผุดผ่องพระวรากายงามสง่าสมสกุลกษัตริย์ ทรงได้รับการศึกษายอย่างดีจากสำนักอาจารย์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในแคว้นสักกะจนกระทั่งพระชนมายุสมควรที่จะมีคู่ครองแต่ก็หาปรากฏว่าพระองค์ทรงชอบพอสตรีคนใดเป็นพิเศษไม่ข่าวการเสด็จออกบรรพชาของเจ้าชายสิทธัตถะมะกุฏราชกุมารแห่งกบิลพัฒนคร ่อความสะเทือนพระไทและพิสวงงงวยแกเจ้าชายอนันทยิ่งนักพระองค์ทรงดมรตอยู่เสมอว่าเจ้าพี่คงมองเห็นทางปลอดโปร่งอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่จึงสละราชสมบัติออกบรรพชาจนกระทั่งหปีภายหลังจากพระสิทธะกุมารออกสแสวงหาโมคธรรมแล้วมีข่าว แ่สะพัดจากนครราชคลกเข้าสู่นครหลวงแห่งแคว้นสกกะว่าบัดนี้พระมหามุนีโคตมะสากยบุตรได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเทศนาสังสอนปวงชนชาวมคตอยู่เจ้าชายอ น, นันทะทรงกำหนดพระไยไว้ว่าเมื่อใดพระพุทธเจ้าเสด็จมาสู่นครกบิลพัท พระองค์จักขอบวชในสำนักของพระพุทธองค์วันหนึ่งณสันทาคารแห่งกรุงกระบีลพัศนสาเกยราชทั้งหลายประชุมกันมีพระราชกุมารหลายพระองค์เข้าประชุมด้วยพระเจ้าสุดโททนะซึ่งบัดนี้เป็นพุทธบิดาเป็นประธานพระองค์ตรัสปรบว่าท่านทั้งหลายบัดนี้ ท่านคงได้ทราบข่าวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ไม่ใช่ใครอื่นคือสิทธัตถากุมารบุตรแห่งเรานั่นเองทราบว่ากําลังประทับอยู่ณนกะรุงราชคลึกราชธานีแห่งพระเจ้าพิมพิสารข้าพเจ้าขอปรึกษาท่านทั้งหลายว่าเราควรจะส่งคนของเราไปทูลเสด็จมาเมืองเรา หรือควรจะคอยจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาเองผู้ใดมีความเห็นอย่างไรขอให้แสดงความคิดเห็นได้มีราชกุ ม, มารองค์หนึ่งชูพระหัตขึ้นเมื่อได้รับอนุญาตให้พูดได้แล้วพระองค์จึงแสดงความคิดเห็นว่าข้าแต่สกยราชทั้งหลายข้าพเจ้ามีความเห็นว่าเราไม่ควรทูลเชิญเสด็จ ข้าพเจ้ามีเหตุผลว่าเมื่อตอนเสด็จออกบวชพระสิทธะก็มิได้ทูลใครแม้แต่สมเด็จพระราชบิดาเองอีกประการหนึ่งกบิลพัทเป็นนครของพระองค์เรื่องอะไรเราจะต้องเชิญเจ้าของบ้านให้กลับเข้าบ้านเมื่อพระสิทธะโอ้อวดว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่กลับบ้านของตัวเองก็แล้วไป เมื่อพระองค์ไม่คิดถึงพระชนกหรือพระประยุรญาตทั้งหลายเราจะคิดถึงพระองค์ทำไมข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าต้องถึงกับทูลเชิญเสด็จก็เป็นเรื่องมากเกินไปราชกุมารตรัสจบแล้วก็นั่งลงทันใดนั้นพระราชกุมารอีกองค์หนึ่งลุกขึ้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินและสักยบงทั้งหลาย ข้อที่เจ้าชายเทวทัตกล่าวมานั้นไม่ชอบด้วยเหตุผลข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแม้จะเป็นยุพ ร, ราชมีพระชนมายุยังเยาวก็จริงแต่พระองค์บัดนี้เป็นนักพรตและไม่ใช่นักรตธรรมดายังเป็นถึงพระพุทธเจ้าอีกด้วยแม้แต่นักรตธรรมดาเราพูดถือตัวว่าเป็นกษัตริย์ยังต้องให้เกียรติถวายความเคารพ เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุฉไฉนเราจะให้เกียรติแก่พระสิท ธ, ธิ์ธรซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าและพระญาติของเราไม่ได้ข้าพเจ้าเห็นว่าตําแหน่งอรหันตสั ม, มาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นตําแหน่งที่สูงส่งมากพระมหาจากักรพรรดิยังต้องถวายพระเกียรติทำไมคนขนาดเราจะถวายพระเกียรติไม่ได้ข้าพเจ้าเห็นว่า ควจะส่งทูตไปเชิญเสด็จพระองค์เข้าสู่กบิลพัทท ร, ราชกุ ม, มารนั่งลงการที่เจ้าชายอนันทะเสนอมานั้นเจ้าชายเทวทัตขัดขานโดยอ้างตําแหน่งพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นที่ตั้งก็ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นใครๆก็อาจจะเป็นได้ถ้ากล้าโกหกชาวโลกว่าตัวเป็นพูดเอาเองใครๆก็พูดได้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 ไม่มีใครพูดขึ้นอีกเลยพระเจ้าสุโธธนะจึงตรัสขึ้นว่าท่านทั้งหลายถ้าเราเถียงกันแบบนี้สักกี่วันก็ไม่อาจตกลงกันได้ต่างคนต่างก็มีเหตุผลน่าฟังด้วยกันทั้งสิน้นข้าพเจ้าอยากจะให้เรื่องจบลงโดยการฟังเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอถามที่ประชุมว่า ผู้ใดเห็นว่าสมควรเชิญเสด็จลูกของเรามาสู่เมืองขอให้ยกพระหัตถ์ขึ้นจบพระสุรเสียงของพ ร, พระเจ้าสุโทธทนะมีพระหัตถ์ของสักยวง์ยกขึ้นสลอนมากมายแต่ไม่ได้นับเพราะเห็นว่ายังเหลืออยู่เป็นส่วนน้อยเหลือเกินคราวนี้ท่านผู้ใดเห็นว่าไม่สมควรจะเชิญเสด็จก็ขอให้ยกพระหัตถ์ขึ้น ปรากฏว่ามีสองพระหัตถ์เท่านั้นคือเจ้าชายเทวทัตและพระสหายคู่พระไทยเป็นอันว่า เสียงในที่ประชุมเรียกร้องให้ทูลเสด็จพระผู้มีพระภาคเข้าสู่กบิลพัเจ้าชายอานนท์พอพระไทยเหลือเกินทูลอาสาไปรับเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยตนเองแต่พระเจ้าสุโทธทนะทรงห้ามเสียเจ้าชายเทวทัตขั้งแขนพระไทยยิ่งนักตั้งแต่เป็นพระราชกุ ม, มารน้อยๆอยด้วยกันมาไม่เคยมีชัยชนะเจ้าชายสิทธัตถะเลย เวลานั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จจากอรุเวลาเสนานิคมตำบลที่ตัสรู้ไปสู่อิสิปตนะมลกคธายะเพื่อโปรโดปัญจวัคคีแล้วโปรดพระยสะและชดินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารแล้วสเสด็จเข้าสู่กรุงราชคลืเพื่อโปรโดพระเจ้าพิมพิสารตามปฏิญญาณที่ได้ทรงให้ไหว เมื่อเสด็จผ่านมาทางราชคลึสมัยเมื่อสแสวงหาโมคธรรมได้รับวัดเวลุวันสวนไม้ไผ่เป็นอารามสงฆ์แห่งแรกในพระพุทธศาสนาแล้วข่าวกระชอนทั่วไปทั้งพระนครราชคลึและเมืองใกล้เคียงส่งได้อัครสาวกซ้ายขวาคือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรและพระมหาโมคลานะ เป็นกำลังสำคัญในเวลาเย็นชาวนครราชฤก์มีมือถือดอกไม้ทูบเทียนและน้ำปานะมีน้ำอ้อยเป็นต้นไปสู่อารามเวลุวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาและถวายน้ำปานะแก่พระพิสุสง พระเจ้าสุดโททนะทรงส่งทูตมาเชิญพระผู้มีพระภาคเพื่อเสด็จกลับพนครแต่ปรากฏว่าทูตเก้าคณะแรกไปถึงแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาเลื่อมใสศรัทธาขอบรรพชาอุปสมบทและมิได้ทูลเสด็จพระพุทธองค์ต่อมาถึงทูตคณะที่สิบซึ่งมีกาลุทายีมหาอมมัด เป็นหัวหน้าไปถึงวัดเวรวรขอบันพชาอุปสมบท ต, ต่อพระผู้มีพระภาคแล้วจึงทูลอาราธนาพระพุทธองค์ตามพระดำรัสของพระพุทธบิดาพระผู้มีพระภาคมีพระอารหันต์ขีนาศจำนวนประมาณสองมืนเป็นบาิวานสเสด็จจากกรุงะะราชคลืสู่นครกบิลพัตรวัลยโยศวัลโยศ รวม60วันในระหว่างทางได้ประธานพระธรรมเทศนาปลดประชาชนให้ดำรงอยู่ในคุณวิเศษต่างๆตามอุปนิสัยจนกระทั่งถึงนครกบิลพัทพระพุทธบิดาเตรียมรับเสด็จพระพุทธองค์โดยสร้างวัดนิโคทารามถวายเป็นพุทธนิวาตการเสด็จมาของพระพุทธองค์ครั้งนี้ เป็นที่ชื่นชมโสมนัสของพระประยุรญาตยิ่งนักเพราะเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วที่พระองค์จากไปโดยพระญาติมิได้เห็นเลยแม้แต่เงาของพระองค์ วันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกบินทบาทผ่านมาทางปราสาทของพระบิดาพระเจ้าสุทโทธนะทอดพระเนตรเห็นแล้วรีบเสด็จลงไปจับชายจีวรของพระองค์แล้วกล่าวว่าสิท ธ, ธัตถะทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้สกูลของเจ้าเป็นคนขอทานหรือสากยะบงไม่เคยทำเลย เจ้าทำให้วงของพ่อเสียบ้านของเจ้าก็มีทําไมจึงไม่ไปรับอาหารที่บ้านเที่ยวเดินขอทานชาวบ้านอยู่พ่อจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพ่อเป็นจอมคนในแผ่นดินเป็นกษัตริย์ลูกมาทําตนเป็นขอทานมหาบุพิตรเสียงนุ่มนวลกังวานจากพระโอษพระผู้มีพระภาคบัดนี้ อาตมาภาพมิใช่สากยวงศ์แล้วอาตมาภาพเป็นอริยวง์เป็นพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าในอดีตทุกๆพระองค์ทรงกระทําอย่างนี้ทั้งนั้นอาตมาภาพทำเพื่อรักษาวงศของอาตมาภาพมิให้สูญหายสาหรับบ้านอาตมาภาพก็ไม่มีอาตมาภาพเป็นอนาคาริกกับมุนีผู้ไม่มีเรือน ช่างเถิดสิทธัตถะเจ้าจะเป็นวงอะไรจะมีเรือนหรือไม่มีเรือนพ่อไม่เข้าใจแต่เจ้าเป็นลูกของพ่อเจ้าจากไปเจ็ดปีเศษพ่อคิดถึงเจ้าสุดประมาณพิมพ์พาหรือก็ข่ำครวญถึงแต่เจ้าราหุนเล่ามีบิดาเหมือนไม่มีเวลานี้เจ้าจะต้องไปบ้านไปพบลูกพบชายาและพระยาที่แก่เท่า ว่าแล้วพระเจ้าสุโธธนะก็นำเสด็จพระพุทธองค์ไปสู่พระราชวังถวายขาทเนียโพชนียหารอันประนีตสมควรแก่กษัตริย์พระผู้มีพระภาคแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระบิดาจนได้สำเร็จเป็นพระสกทาคามีและพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางได้สำเร็จเป็น พระโสดาบันแล้วเสด็จกลับสู่นิโคทาราม